ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยสังฆะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการเจนาพระมหาอาคมธรรมาฆโมแปลเรื่องที่สามสิบสี่ปกินกนา ก, า, กาวินิชยกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องเดตรต่ตอก็เป็นเรื่องของบาป บาดที่ท่านแสดงให้รักษาโดยประการต่างๆเพราะว่าบบกบางในกรมีบาทดินก็นจะต้องรักษาดูแลอย่างดีมากเขามีพระบารีว่าดูก่อนทิสูจุดทั้งหลายพิสูจไม่พึงเก็บบาทไว้บนเตียงรูปใดเก็บไว้รูปนั้นต้องอาบัดทุกกฎดังนี้เตียงและต่างจะเป็นของที่เขาทำไว้เพื่อวางสิ่งของเท่านั้นหรือเพื่อนั่งและนอนประามที เป็นทุกขกดแก่ที่จุผู้วางบาดบนเตียงหรือตั้งอันใดอันหนึ่ง <c oughs> ก็ไปวางบาดบนเตียงบนตั้งไม่ได้เพราะว่าอาจจะพลัดตกกลิ้งลงมาบาดแตกหรือว่ากระเทาะบาดเหล็กก็สามารถกระเทาะได้เพราะว่าไม่แข็งแรงเหมือนกับปัจจุบนันนี้ปัจจุบันนี้เป็นบาดสแตนเลสก็ไม่กระเทาะหรอกแต่ว่าก็ต้รักษาเหมือนกันแต่บาดสามัยก่อนนีบาดเหล็กเครื่องสนิทได้เพราะนั้นก็ต้องไปรมไปเผาเผาให้ได้ห้าไฟแต่ว่านาดีกาก็บอกว่า เผาให้ดำๆแล้วก็เสียงไฟสองไฟก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะทําให้ตามพุทธพจน์เลยก็ให้ได้ห้าไฟเลยตักระธาท่านก็แสดงห้าไฟถ้าเป็นบาตรเหล็กบาตรดินก็เผาสองไฟระตอรักสามารถห้ามวางบนเตีงบนตังแต่จะมัดรวมกับของอื่นวางไว้ควรอยู่ถ้ามัดรวมกับของอื่นไว้อันนี้ไม่เป็นไรก็จะไม่พลัดตกกลิ้งลงมา หรือจะผูกที่แม่แค่ห้อยไว้ก็ควรถ้าห้อยก็ต้องผูกเอาไว้ที่แม่แค่จะผูกแล้ววางข้างบนเตียงไม่ควรเหมือนกันผูกแล้ววางบนเตียงไม่ควรถ้ามัดเอาไว้กับสิ่งของนั้นควรที่ไม่ควรเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเผลอแล้วก็ไปนั่งทับก็ได้ก็ถ้าว่าเตียงหรือต่างเป็นของที่เขายกขึ้นผ้าเป็นนั่งร้านบนราวชีวรเป็นต้น จะวางบนเตียงหรือตังนั้นก็ควรคงไม่มีใครขึ้นไปนั่งบนนั่งร้านสูงอย่างนั้นแล้วก็สังเกตเห็นได้ง่ายด้วยถ้าเตียงตังเนี้ยเขายกขึ้นไปพาดเป็นนั่งร้านบนราวจีวรก็ต้องสูงเพราะฉะนั้นจะวางบนเตียงบนตังนั้นก็ได้จะเอาสายโยกคล้องบนจงอยบาและวางบนตักก็ควรห้ามวางบาตรบนตักนะวางบาตรบนตังเนี้ยบาตรทุกกแต่ว่า ถ้ามีสายโยกเอาสายโยกคล้องไว้ที่จงไยบ่าวางบนตับเอาไว้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเผลอลุกขึ้นบ่าก็ยังคงคาอยู่ที่คอแต่ว่าถ้าไม่มีสายโยกคล้องไว้ที่จงไวบ่าที่คอถ้าเผลอลุกขึ้นบ่าก็ตกแตกถ้าเป็นบาดดินถ้าเป็นบานเด็กก็กระเทาะถึงบ่า ท, ที่คล้องบนจงไวบา่าแม้เต็มด้วยข้าวสุกก็ไม่ควรวางบนร่มไม่ควรวางบนร่มนะถ้า ค้องมันจะง่อยบาทแล้วก็เต็มด้วยข้าวสุกอย่าไปวางบนรม่มเพราะว่าร่มมันไม่มีพื้นที่ที่เรียบเดี๋ยวมันก็กลิ่มข้าวสุกก็จะหกแต่จะวางบาทชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูกรวมกับสิ่งของบนรม่มควรอยู่ถ้าผูกติดกันนี้ไม่เป็นไรหรือวางไว้บนร่มที่ผูกติดไว้กับนั่งร้านก็ควรอยู่ถ้ามั่นคงแล้วก็ไม่กลิ่นไม่หันพิกไปข้างนั้นข้างนี้ก็ผูกติดเอาไว้ได้ ต้องผูกโรวมกับสิ่งของด้วยนะจะได้ยึดกับสิ่งของนั้นไม่กลิ่นไม่หมุนไปทางไหนเขามีพระบาลีว่าดูกวามทิสุทั้งหลายทิกสุถือบาดอยู่ไม่พึงผลักบานประตูเข้าไปถ้าถือบาดอยู่เนี่ยนะไม่พึงผลักบานประตูรูปใดผลักรูปนั้นต้องอบับดุกทุกกดเพราะฉะนั้นทิกสุมีบาดอยู่ในมือจึงไม่ควรถักบานประตู สำหรับในเรื่องนี้มีวิลิชัยดังต่อไปนี้บาทของพิจุดใดอยู่ในมือพิจุนั้นแลชื่อว่าผู้มีบาทในมืออย่างเดียวหาไม่ได้อันหนึ่งพิจุผู้มีบาทอยู่ในมือย่อมไม่ได้เพื่อผลักบานประตูอย่างเดียวเท่านั้นหาไม่ได้แต่อันที่จริงเมื่อบาทอยู่ในมือหรือบนหลังเท้าหรือที่อวิวะแห่งสรีระอันใดอันหนึ่งพิจุย่อมไม่ได้เพื่อจะผลักบานประตู ถือบาดอยู่อุ้มบาดอยู่อาบาดวางไว้บนหลังเท้าถือว่าจะหนีบบาดเบ็นที่รักแร้เนี่นะจะไปผักบานประตูไม่ได้หรือเพื่อจะถอดลิ่มสลัถอดกรอนก็ไม่ได้เหมือนกันถือว่าเพื่อจะเอาลูกกุญแจไขแม่กุญแจด้วยมือด้วยเท้าด้วยศีรษะหรือด้วยอวัยวะแห่งสรีระอันใดอันหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นเลยจะเอาก้นไปดันประตูหรือว่าจะเอาหัวศีรษะไปดันประตู อันนี้ก็ไม่ได้ต้องวางบาดไว้แล้วหรือว่าคล้องบาดไว้ที่บาแต่จะคล้องบาดบนจ ง, งอยบ่าแล้วย่อมได้เพื่อเปิดบานประตูตามสบายแท้ถ้าอะไรก็เพื่อที่จะป้องกันบานประตูนั้นกระทบบาดแตกอันนี้เป็นการอบรมเพื่อให้ทิกสุนีมีการฝึกมีการอบรมสติไม่ให้หลงลืมสติราจาเปิดประตูเมื่อไหร่จะต้อง วางบาดไว้หรือว่ามีสายโยกก็คล้องไว้ที่บาดแล้วค่อยเปิดประตูเพราะถ้ามีบาดอยู่ในมือแล้วเปิดประตูนี้ก็จะเป็นประตูอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นกุฎีพาสมีอาบัตทุกกฎเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิสษุทั้งหลายพิสูไม่พึงใช้บาดรับเศษอาหารก้างหรือว่าน้ำบ้วนปากรูปใดใช้รูปน้นต้องอบัตทุกกฎก็คือห้ามใช้บาทแทนกระโถนนั่นเอง ถ้าเอาบาตรไปใส่เศษอาหารใส่น้าบ้วนปากอะไรพวกนี้ต้องอาบัติทุกกฎเพราะฉะนั้นปิ๊กตุจึงไม่ควรเอาบาใส่เศษอาหารเป็นต้นไปทิ้งสำหรับในเรื่องนี้บทว่าจะระ ก, กานิดได้แก่อามิรที่จะทิ้งที่จะคลายออกไม่กลืนลงไปเขาเรียกว่าอามิรก็คือขยะนั่นเองอบทว่าอัธิกานิก็คือก้างปลา อธิก็แปลว่ากระดูกอัธิการนี้ก็ได้แก่ก้างปลาหรือกระดูกเนื้อกระดูกของเนื้อต่างๆกระดูกหมูกระดูกไก่ต่างๆเหล่านี้บทว่าอุดฉิดโถดกังได้แก่น้ําบ้วนปากเมื่อพิกจุผู้ใช้บาตรขนทิ้งซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอา mith ที่เป็นเดนเป็นต้นนั้นเป็นอบัติทุกกฎใช้บาตรแทนกระโถนนี้มีอบัตทุกกฎเสร็จ อาหารเศรษขยะอะไรที่ทิ้งแล้วนี่ไม่ควรจะใส่ลงไปในบาศแม้กระดูกไก่กระดูกเป็ดอะไรต่างขาย่มาแล้วจะใส่ลงไปในบาศนี่ไม่ได้นะแต่ว่าถ้ายังจะฉันอยู่เนี่ยเช่นขาไก่กัดไปคำหนึ่งแล้วก็ยังจะฉันอยู่ก็ใส่ลงไปในบาศอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่ายังไม่ใช่เป็นเดนยังไม่ใช่เป็นของที่จะทิ้งยังจะฉันอยู่นี่ก็ใส่บาศได้ทิสุจะทําบาศให้เป็นกระโถน ล, ล้างมือไม่ได้ จะใส่แม้ซึ่งน้ําล้างมือล้างเท้าลงในบาตแล้วนําไปเทก็ไม่ควรจะจับบาต ท, ที่สะอาดที่ไม่เปื้อนด้วยมือที่เปื้อนก็ไม่ควรถ้ามือเปื้อนอามิตรนี่จะไปจับที่บาต ท, ที่สะอาดนั้นไม่ได้แต่จะเอามือซ้ายเทน้ําลงในบาต ท, ที่สะอาดแล้วก็อมเอาน้ําอมหนึ่งเอาน้ำหนึ่งอมแล้วก็จับด้วยมือที่เปื้อนควรอยู่เพราะว่าเปื้อนแล้วละ่ะด้วยการทำเท่านี้นี่ยนะ ก็าบาดชื่อว่าเปื้อนแล้วเพราะว่าสัมผัสกับปากซึ่งมีน้ําลายก็ชื่อว่าเปื้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จับได้จริงอยู่แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้บาดนั้นย่อมเป็นบาดเปื้อนก็คือเปื่อนน้าลายนั่นเองอันหนึ่งจะล้างมือที่เปื้อนด้วยน้ําข้างนอกแล้วจึงจับบาดควรอยู่เมื่อฉันเนื้อปลาและพลาผลเป็นต้นอยู่ผลาผลก็หมายถึงผลไม้น้อยใหญ่ทั้งหลาย ในของเหล่า น, านั้นสิ่งใดเป็นกล้างกระดูกหรือเป็นเดนเป็นผู้ใครจะทิ้งเสียจะเอาสิ่งนั้นวางลงในบาทย่อมไม่ได้ห้ามเลยถ้าจะทิ้งแล้วจะใส่ลงในบาทนั้ไม่ได้จะเป็นพลาสติจะเป็นกระดาษเป็นกล่องอะไรก็แล้วแต่ที่ใส่ขนมมาจะทิ้งก็ไปใส่ลงในบาดนี้ไม่ควรไม่ได้ส่วนสิ่งใดยังอยากจะฉันต่อไปอีกจะเอาสิ่งนั้นวางลงในบาตก็ได้ จะวางเนื ica, paper, ้อที่มีกระดูกและปลาที่มีก้างเป็นต้นในบาดนั้นและเอามือปล่อนออกฉันก็ควรจะใช้ช้อนเขี่ยช้อนตักแยกเนื้อออกจากกระดูกแล้วก็ฉันแต่เนื้อกระดูกก็เขี่ยเขี่ยไว้ข้างหนึ่งไม่เป็นไรหรือถ้ามีกระโถนก็เอามาทิ้งไว้ในกระโถนไม่เป็นไรหรือถ้าไม่มีกระโถนมีฝาบาดเอามาทิ้งไว้ในฝาบาดก็ไม่เป็นไรหรือว่าจะไว้ในบาดนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ายออกจากปาก แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เอาออกจากปากแล้วยังอยากจะฉันอีกจะเอาสิ่งนั้นวางในบาตไม่ได้หมายถึงเข้าไปในปากแล้วนะเข้าไปในปากแล้วสิ่งที่เข้าไปในปากแล้วเอาออกจากปากเพื่อ น, น้ําลายเหมืนนะอะไรพวกนี้ไม่ควรจะทส่ลงไปเพราะว่าไม่น่าดูหรอกเป็นมายาคุณสมบัติเพราะคนอื่นเนี่ยเขาเห็นเขาก็ควรจะรังเกียจโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นชนชั้นสูง น, นี่ก็เห็นต้องรจุ เอาอะไรใส่เข้าไปในปากแล้วก็คลายออกมาแล้วก็เอาไปใส่ในปากอีกเดี๋ยวจะค่อยฉันใหม่อันนี้ก็ไม่ได้ชิ้นขิงและชิ้นมะพร้าวเป็นต้นกัดกินแล้วจะวางอีกก็ได้รวมทั้งชิ้นไก่น้องไก่กัดตปหน่อยหนึ่งไม่ได้เอาเข้าปากที่เหลือวางไว้ในบาดนี้ได้แต่ว่าถ้าเอาเข้าไปในปากแล้วไปอมอมอมอ ม, อมแล้วก็คลายออกมาแล้วก็จะวางไปในบาอีกนี้ไม่ควรไม่ได้ พิสษุไม่พึงเป็นผู้ถือบางสกุลทุกอย่างเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิสษุทั้งหลายพิสูไม่พึงเป็นผู้ถือบางสกุลทุกอย่างรูปใดเป็นผู้ถือบางสกุลทุกอย่างรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎห้ามถือบางสกุลทุกอย่างจะถือได้ก็เฉพาะบางอย่างก็คือถือผ้าไตรจีวรได้ก็ในเรื่องของบางสกุลนี้จีวรเตียงและต่างเป็นของบางสกุลย่อมควร ใช้เตียงใช้ต่งที่เป็นของบางสกลุลนี้ได้ส่วนของที่จะพึงเกลื่นกินอันเขาถวายแล้วเท่านั้นจึงควรถือเอาของจะพึงเกลืนกินนี่ห้ามถือบางสกลุลนะมีพิกษโสโรหนึ่งก็อยู่ในป่าช้าถือของบางสกลุลทุกอย่างเลยจะเป็นเตียงต่งเป็นจีวรแม้กระทั่งอาหารก็ไม่รับจากใครๆแต่ว่าเขาเอาอาหารมาเส้นพวกผีพวกญาติของเขาที่ตายแล้วในป่าช้าก็ไปถือเอาอาหารแล้วก็มาฉัน ร่างกายของพิจุรูปนี้ก็ใหญ่โตด้วยพวกกษัตริย์เขาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมพิกจุรูปนี้ไม่ไปบินทบ่าแล้วก็เห็นว่าเอาข้าวของที่เขาไปเส้นผีเส้นพวกญาติคนตายของเขาอาไปกินเองก็เลยคิดว่าสงสัยพิกจูรูปนี้นี่จะฉันเนื้อมนุษย์ละมังเพราะว่าตัวใหญ่โตขนาดนี้ก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาติเตียนก็เรื่องถึงพระพุทธเ จ, าธจา้าพระพุเจ้าก็บัญหัิห้ามแล้วว่าห้ามถือของบางสกุลทุกอย่างโดยเฉพาะอาหารต้องให้เขาประเค้น จึงจะฉันได้จึงจะถือเอาเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เดินทางไกลเมื่อถูกเขาอ้อนวอนขอยืมผ้ากรองน้ําจะไม่ให้ไม่ได้รูปใดไม่ให้รูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎเพราะฉะนั้นภิกษุไม่ให้ผ้ากรองน้ําแต่ภิกษุผู้ไม่มีผ้ากรองน้ําที่ขออยู่ย่อมไม่ควรเป็นอาบัติทุกกดด้วยนะฝ่ายภิกษุใดเมื่อผ้ากรองน้ําในมือของตนมีอยู่ ยังขอไม่อยากให้ก็ไม่ต้องให้ก็คือเขามีผ้ากรองน้ําอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าเขายังจะมาขอเราอีกทำไมต้องให้ก็ได้แต่ความจริงแล้วเมื่อไม่มีผ้ากรองน้ําก็ไม่ต้องเดินทางพระพุทธเจ้าจะบัญญัติอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะว่าความีพระบางรีว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุดไม่มีผ้ากรองน้ําอย่าเดินทางไกลรูปใดเดินทางต้องอบัตทุกกดเดินทางไกลในที่นี้ก็ตั้งแต่กึ่งโยอดขึ้นไปก็คือตั้งแต่แปดกิโลเมตรถึงโยอด ไม่มีผ้ากรองน้ำต่อบัทุกฏแต่ว่าอนุญาตให้อธิษฐานมุมสังคติว่าเป็นผ้ากรองน้ำได้เพราะฉะนั้นภิกตุผู้ไม่มีผ้ากรองน้ำจึงไม่ควรเดินทางถ้าไม่มีผ้ากรองน้ำหรือว่ากระบอกกรองน้ำที่เขาเรียกว่าธรรมกรกธรรมะกรกหรือว่าธรรมะกรกเพึ่งอธิษฐานมุมสังฆติว่าเราจับ ก, กรองน้ำด้วยมุมผ้าสังฆตินี้ดื่มดังนี้ก็ไม่มีอภัติอันก็ต้องมีสติแหละ ว, ว่าเราอธิษฐาน ชายจีวรหรือว่าชายสังฆตินี้แนละ้วหรื อ, อยังท่านบอกว่าให้อธิษฐานมุมสังฆติแต่ว่าก็คงจะนุโลมที่มุมของจีวรด้วยมุมสังฆติก็สองชั้นมุมจีวรว่าสองชั้นเหมือนกันเพราะมีผ้าทาาก็คือผ้าอนุวาสอยู่แต่ว่าก็คงจะต้องล่วงเลยไปถึงตัวจีวรนะนะนั้นพระวิตรุที่เดินทางไกลเนี่ยเขาขอผ้ากรองน้ําไปให้นี่กว่าใจจื่อใจดำจัง แต่ต้นเหตุนี่ก็เพราะว่าพิกสุรูปหนึ่งะพื่อนอนาจารแล้วก็เพื่อนพิกสุก็เตือนว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําเกินท่านไม่ถูกต้องพิกสุที่ถูกเตือนแล้วก็ผูกใจเจ็บ ก, ก็เดินทางไปด้วยกันพิสุอีกรูปหนึ่งขอภาพลองน้ำนาที่จะดื่มน้ําก็ไม่ให้เพราะว่าโกรธพิสุรูปหนึ่งไม่ได้ก็เลยไม่กล้าที่จะดื่มน้ําก็รักษาเทวิ น, นัยอ็อดน้ําถึงตายด้วยหรือเล่าผมไม่รู้นะตั้งหพระุทธเจ้ า, าก็สงสารก็เลย บัญญัติว่าถ้าไม่ให้ให้เขายืมผ้ากรองน้ําระหว่างเดินทางต้องอาบัตุกฏแต่ว่าใครนี้มีผ้ากรองน้ําเดินทางไกลแปดกิโลเมตรขึ้นไปถึงโยตาบัตุกฏดังนั้นก็ต้องอธิฐานที่มุมสัมผัติปัจจุบันนี้น้นํานี่ดื่มนี่สบายมากเลยนะน้ําประปาๆนี่ว่าไม่ต้องกรองแล้วอ่ะแล้วก็น้ําขวดน้ําโปรแริฟทั้งหลายไม่จําเป็นต้องกรองเลยนะน้าที่ต้องกรองก็คือน้ําที่มันตักมาจากแม่น้ําจากคลองวี้ ก็ต้องดูว่ามีฝุนมีผงอะไรถ้าเป็นน้ำสะอาดว่าน้ำตกดูแล้วไม่มีตัวสั์ไม่มีฝุ่นอะไรฉันได้แม้ผ้ากรองน้ำมีขอบก็ควรเพราะมีพระบารีว่าดูวยความพิจิตทั้งหลายเราอนุญาตผ้ากรองน้ำมีขอบชื่อว่าผ้ากรองน้ามีขอบคือผ้าที่เขาผูกกับไม้ที่ทำดังแม่บันไดชั้นกลางซึ่งผูกติดบนขาสี่ขา แล้วเทน้ำลงตรงกลางไม้ดังเครื่องกรองด่างของพวกช่างย้อมน้ำนั้นเต็มทั้งสองห้องแล้วย่อมไหลออกผ้าของนาพองสมัยก่อนองค ใ, ใหญ่ๆถ้าจะเข้าใจ ง, ง่ายๆก็คือเหมือนกับกระชอนเี่ยนะกระชอนผ้าที่เขาเอาไว้ตักลูปน้ำหรือว่าเอาตักปลาหรือว่าถุงกาแฟโบราณแต่ว่าทำเป็นขาสี่ขา แล้วก็ผูกติดแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปนี่ก็เป็นผ้ากรองน้ำได้แม้ผ้ากรองน้ำที่ลาดลงบนหลังน้ำก็ควรนี้ก็คงจะใหญ่มากก็คือเอาไปลาดบนหลังน้ำแล้วก็น้ำมันก็ขึ้นมาแล้วก็ตักที่ผ้าเนี่ยแหละเพราะมีพระบารีว่าดูกอรทิกตุทั้งหลายเราอนุญาตผ้ากรองน้ำที่ลาดลงบนน้ำดังนี้ชื่อว่าโอดธรกัง คือผ้าที่ลาดลงในน้ําแล้วเอาหม้อตักน้ําจิงอยู่ทิ้ตัวทั้งหลายผูกผ้าติดกับไม้สี่อันปักหลักสี่หลักลงในน้ําแล้วผูกผ้ากรองน้ํานั้นติดกับหลักนั้นให้ริมผ้าโดยรอบทั้งหมดพ้นจากน้ําตรงกลางหย่อนลงแล้วก็เอาหม้อตักน้ําก็เหมือนกับยอนะเหมือนกับยอของพวกที่เขาดับปลาแหละผูกไว้สี่มุมแล้วก็เอาย่อนลงไป ในน้ําก็วางไว้ในน้ําเลยปลามันก็เข้าไปอยู่ในนั้นเพราะเอาอาหารวางไว้ในยอนนั้นแล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาก็ยกพ้นน้ําเลยแล้วก็เอาปลาออกถ้าปรามอยู่แต่นี้ก็หมายถึงว่าเอาขอให้พ้นน้ําแล้วก็เอายอนลงไปในน้ําน้ำมันก็ท่วมขึ้นมาในในผ้ากรองน้ำนั่นแหะแล้วก็ตักน้ําำในนั้นก็จะไม่มีตัวสัตว์เพราะว่าก็เป็นผ้ากรองน้ำแต่ต้งตาละเอียดละเอียดต้องมีผ้าที่ละเอียดก็จะได้กรองได้ละเอียดฝุ่นผงจะได้ไม่เข้าไป ต่อไปพิสูตเปลื้ยกายไม่พึงไหว้พิสูตเปื้ยกายก็มีพระบาลีเป็นต้นว่าดูุจกรพิกูุทั้งหลายพิสูตเปลือยกายไม่พึงไหว้พิสูตผู้เปลือยกายผู้ใดไหว้ผู้นั้นต้องอบับทุกกฎดังนี้ฉะนั้นพิสูตเปลือยกายไม่พึงไหว้พิสูตผู้เปลือยกายและพิสูตผู้เปื้ยกายพิสูตผู้เปลือยกายก็ไม่พึงไหว้เหมือนกันไม่พึงไหว้ไม่พึงให้ไหว พิจูเปลือยกายไม่พึงให้พิจูเปลือยกายและไม่เปลือยกายไหว้ด้วยไปนุ่งห่มให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาไหว้ก็เป็นความหมะผมแล้วก็เป็นความสวยงามกว่าบางทีอาจจะถูกเข้าใจว่าเป็นพวกอาเจรกะพวกฉีปเปลือกยก็ได้ทำมาไหว้กันเพราะฉะนั้นไม่ควรจะไหว้หรือว่าไม่ควรจะให้ไหว้เมื่อเปลือยกายอยู่พิจูผู้เปลือยกายไม่พึงกระทําบริกรรมแก่พิจูผู้เปลือยกาย ถ้าโปอยู่กันไม่ควรจะไปบีบไปนวดไปอะไรต่ อ, ตอกันเดี๋ยวความกำหนัดเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเลยที่สุผู้เปลือยกายไม่พึงใช้ให้ทีสทท่สุผู้เปลือยกายทำบริกรรมด้วยที่สุเปลือยกายไม่พึงให้ของแก่ที่สุผู้เปลือยกายที่สุเปลือยกายไม่พึงรับประเคนที่สุเปลือยกายไม่พึงเคี้ยวที่สุเปลือยกายไม่พึงฉนันที่สุเปลือยกายไม่พึงลิม้มที่สุเปลือยกายไม่พึงดื่ม ห้ามหมดเลยถ้าเปลือยกายอยู่นะนี่หมายถึงโป้หมดเลยนะห้ามเปลือยกายมันกะทั่งอมลูกอมอะไรพวกนี้ก็ไม่ควรด้วยก็เหมือนกับลิ้มมนนะอมลูกอมก็คือลิ้มนั่นเองพยายามไปนุ่งไปหม่มถ้ามีตะบงตัวหนึ่งนุ่งอยู่ไม่มีอังสันนี่ก็ชื่อว่าไม่เปลือยกายต้องโป้หมดเครื่องปกปิดสามอย่างย่อมควรเพราะพระบาลีว่าดูการพิตรทั้งหลายเราอนุญาตเครื่องปกปิดสามอย่างคือเครื่องปกปิด คือเรือนไฟหนึ่งเครื่องปกปิดคือน้ำหนึ่งเครื่องปกปิดคือผ้าหนึ่งก็หมายถึงเข้าไปในเรือนไฟเนี่ยโฟะอยู่ในเรือนไฟเนได้ในเวลาที่เข้าเรือนไฟไปอบตัวให้สิ่งที่เป็นโทษในร่างกายเหงื้อคลายไหลหลังออกมาจะได้แข็งแรงเพื่อจะบําเพ็ญใจติดขาได้บริบูรณ์ไม่ใช่ไปอบตัวเพื่อให้ร่างกายมันกระชุ่มกระชวยมีกําลังแล้วก็จะได้ ไปทํากิจที่สมควรก็ทําเพื่อจะอบรมใจศีิฐานเท่านั้นแล้วก็เครื่องปกปิดคือน้ําเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผ้าอาบน้ําก็เปลือยกายลงไปในน้ําได้ก็ถือว่าเป็นอันปกติดเหมือนกันอาบน้ําแบบญี่ปุ่นเลยเปลยกายอันนี้ก็ได้แล้วก็เครื่องปกปิดคือผ้าปกติก็ใช้ผ้าชีวอนกันนั้นเครื่องปกปิดนี้มีสามอย่างก็คือเรือนไฟอย่างหนึ่งน้ําอย่างหนึ่งแล้วก็ผ้าอย่างหนึ่งดังนี้ สำหรับในเรื่องนี้มีเนื้อความที่พึงทราบดังต่อไปนี้เครื่องปกปิดคือเรือนไฟและเครื่องปกปิดคือน้ำควรแก้พิสุผู้ทาบริกรรมเท่านั้นไม่ควรในสามีจิกรรมทั้งหลายมีอภิวาเป็นต้นก็คือถ้าโปอยู่ในเรือนไฟชื่อว่าปกปิดแล้วก็อยู่ในน้ำสามารถทาบริกรรมแก่กันได้ก็คือบีบนวดถูที่ใครอะไรต่างได้นะทาบริกรรมได้นะ แต่ไม่ควรที่จะทําสามิจิกรรมทั้งหลายมีอภิวาสเป็นต้นส่วนเครื่องปกติดคือผ้าควรในกา ร, รทุกอย่างเลยจะกราบว่าอภิวาสให้ของเที่ยวของฉันอะไรต่างๆได้ทุกอย่างเฉพาะเนี่เรือนไฟกำเนินน้ำนี่ไม่ควรทําสามิจิกรรมมีอภิวาทแต่ว่าทําบริกรรมบีบนวดให้อุปชฌะอาจารย์อย่างนี้ได้ต่อไปทพิสุไม่พึงนอนบนที่นอนที่ลาดด้วยดอกไม้ พระมีพระบารีว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่โสดไม่พึงนอนบนที่นอนอันเกลืกล่อนกลลด้วยดอกไม้รูปใดนอนรูปนั้นต้องอบัตทุกกดแต่เมื่อรับกลิ่นหอมก็คือพวกกระเจะพวกแป้งหอมอะไรพวกนีพ้พอรับกลิ่นหอมมาแล้วควรเจอร์ไว้ที่บานประตูหน้าต่างรับดอกไม้มาแล้วก็ควรวางไว้ส่วนข้างหนึ่งในวิหารตอนนี้ก็มีพระพุทธรูปมีพระเ ด, ดีไปวางไว้ บูชาพระพุทธรูปบูชาพระจะดีได้พวกกระเจาพวกแป้งหอมพวกอะไรที่เป็นของหอมแลนะ้วนั้นก็เอาไปเจอไว้ที่ประตูก็ได้แต่ว่าก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นการเจิมเพื่อที่จะเป็นของขลังเป็นอะไรก็คือไม่ให้น่าโยมเขาเส็บความรู้สึกรับแล้วก็เอาไปไว้ที่ข้างนึงถ้าไม่รับเลยก็อาจจะทาให้เขาไม่ได้บุญทีกตุไม่พึงฉันของที่วางบนเตียบ เพราะมีพระบารีว่าดูความพิสูจทั้งหลายพิษจูไม่พึงฉันอาหารบนเตียบรูปใดฉันรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎดังนี้คำว่าอาสิตตกูปะทานังก็คือเตียบนั้นเป็นคำเรียกลุงที่ทำด้วยทองแดงหรือด้วยเงินอันหนึ่งลุงนั้นแม้ทำด้วยไม้ก็ไม่ควรเพราะเป็นของที่ทรงห้ามแล้ว ที่สุจะฉันอาหารที่วางไว้บนโต๊กย่อมควรโอคันโตนี้ฉันได้แต่เตียยที่ไม่ได้เพราะคนจะเปลี่นรูปร่างที่แตกต่างกันเพราะมีพระบาลีว่าโดยการที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตโต๊กดังนี้เครื่องรองทําด้วยไม้ทั้งท่อนเรียกว่าโตก๊กแม้เครื่องรองที่ทําด้วยคันไม้ที่รองที่ทําด้วยใบไม้กระเช้าและตะกร้าก็นับเข้าในโต๊กนี้เหมือนกัน ยิ้อยู่วัตถุมีไม้เศร้าเป็นต้นนั้นตั้งแต่ที่ถึงความรวมลงว่าเป็นเครื่องรองมีช่องเจาะไว้ข้างในก็ตามไม่เจาะก็ตามควรเหมือนกันไม้เศร้าก็ได้ไม้เศร้าสามเศร้าอะไพวก น, นี้พิสุไม่พึงฉันในภาชนะเดียวกันไม่พึงดื่มในจอกเดียวกันเ็ามีพระ บ, บารีเป็นต้นว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย พิจูไม่พึงฉันร่วมภาชนะเดียวกันรูปใดฉันรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎดังนี้ถ้าว่าพิกจูรูปหนึ่งถือเอาผลไม้หรือว่าขนมจากภาชนะไปครั้นเมื่อพิกจุนั้นหลีกไปแล้วการที่พิจูนอกนี้จะฉันผลไม้หรือว่าขนมที่ยังเหลือย่อมควรแต่ว่าถ้าไปหยิบพร้อมกันนีกเหมือนกับฉันในภาชนะเดียวกันเหมือนกันนะ แม้พิกษุรูปก่อนเมื่ออาหารหมดแล้วจะถือเอาอีกในขณะนั้นก็ควรมันจะไปฉันภาชนะเดียวกันดื่มน้ําในแก้วเดียวกันอะไรทีนี้ไม่เหมาะสมไม่ควรพิจุไม่พึงนอนเตียงเดียวกันไม่พึงนอนบนเครื่องราชเดียวกันเพราะมีพระบารีเป็นต้นว่าดูความพิจูทั้งหลายพิกจูไม่พึงนอนร่วมเตียงเดียวกันรูปใดนอนต้องอบัตทุกฏกทางนี้ แต่ว่าถ้าจำเป็นนะท่านก็บอกว่าแต่แสดงผ้ากาสามะหรือว่าไม้เท้าไว้ในถ้มกลางให้เป็นขอบเขตโดยที่สุดแม้กระทั่งวางประคตเอวไว้ไม่เป็นอาบัตแกพิสุผู้นอนอยู่ก็มันมีเสื่อพื้นใหญ่พื้นเดียวนะไม่มีที่อื่นเลยเพราะนั้นถ้าจำเป็นจะต้องนอนแล้วห้องก็แคบไม่มีที่นอนที่อื่นก็เอาผ้าจีวรพ้ดไว้ตรงกลาง ที่นอนหรือว่าไม่มีก็เอาไม้ทา้าหรือว่าประพจเอวก็ได้มาวางขั้นไว้เป็นขอบเขตก็มีสติสัมเชิญยะเรียกว่ารักษาเทวินยัยก็ผลจากอบัติไม่มีอบัติแล้วและไม่พึงนอนด้วยผ้าหม่มผืนเดียวกันด้วยเครื่องลากและผ้าหม่มผืนเดียวกันจะเปหม่มผ้าผืนเดียวกันนี้ไม่ควรนอนไปนอนมาเดี๋ยวมีปัญหาท่าพระวิสูรนี้เป็นผู้ที่อยู่รูปเดียวฉันรูปเดียวนอนคนเดียว ก็ไม่นอนร่วมกันเครื่องลาดด้วยผ้าห่มด้วยเป็นอันเดียวกันของพิสูจน์เหล่านั้นมีอยู่เพราะเหตุนั้นพิกูจเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีเครื่องลาดและผ้าห่มอันเดียวกันคําว่ามีเครื่องลาดและผ้าหม่มผืนเดียวกันนั้นเป็นชื่อของพิกูจนผู้ปูลาดริมด้านหนึ่งแห่งผ้าปาวานห่มด้วยริมด้านหนึ่งแห่งผ้าปาวานหรือว่าเสื้อลําแพนเป็นต้นที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็ น, นอนหมชายอีกข้างหนึ่ง เือเดียวน่ะนะแต่ว่าเอามาทำเป็นที่ปูราดแล้วก็เอาชายข้างหนึ่งมาห่มก็ไม่ควรจะนอนเครื่องราดหรือว่าผอมเดียวกันสําหรับพระพิสุสองรูปขึ้นไปพิสุไม่พึงเหยียบแผ่นผ้าที่ปูไว้เพราะมีพระบาลีว่าดูกวามพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงเหยียบแผ่นผ้ารูปใดเหยียบรูปนั้นต้องอบัตทุกกดก็เพราะว่าต้นเหตุก็คือ บทที่ราชกุมารบทที่ราชกุมารนี่เป็นหมันไม่มีโอรสก็อยากจะได้โอรสก็เลยเอาผ้าขาวปูวไว้ตั้งจิตว่าถ้าเราจะมีโอรสขอให้พระพุทธเจ้าเหยียบแผ่นผ้าถ้าเราไม่มีโอรสขอให้พุทธเจ้าอย่าเหยียบพุทธเจ้าก็ไม่เหยียบตอนหลังพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติว่าเดี๋ยวถ้าคนเ้าตั้งใจอิจฉาอย่างนี้ถ้าพระสูตไม่รู้ไปเหยียบเข้าแล้วเขาไม่มีบุตรนี่เขาจะติดเตียนเรนาได้จะเป็นบาปเป็นอันมากก็เลยห้ามไม่ให้เหยียบแผ่นผ้า แต่เมื่อสตรีบางคนผู้ปราศจากคันหรือมีคันแก่ก็ตามอ้อนวอนให้เหยียบเพื่อประโยชน์แก่มงคลในฐานะเห็นปานนั้นพิจตุจะเหยียบก็ควรถ้ารู้อยู่แล้วว่าเขาเคลอดบุตรแล้วหรือว่าเขามีคันแล้วเขาจะให้เหยียบเพื่อเป็นมงคลก็เหยียบได้เพราะมีพระบารีว่าดูการพิกตุทั้งหลายเราอนุญาตให้ผู้ที่ถูกกระหัตขอร้องให้เหยียบเพื่อความเป็นมงคลเหยียบผืนผ้าได้ดังนี้ พิสูจน์จะเหยียบผ้าที่เขาลาดไว้ให้เหยียบด้วยเท้าที่ล้างแล้วในที่สำหรับล้างเท้าก็ควรก็มีพระบารีว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตให้เหยียบผ้าสำหรับเช็ดเท้าที่ล้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถูกเขาขอร้องให้เหยียบเพื่อความเป็นมงคลนี้ก็เหยียบได้แต่ว่าถ้าเขาอดิษฐานมุบมิบุ ม, มิอะไรอย่นี้ก็ต้องดูว่าควรจะเหยียบหรือเปล่าปุ่มไม้สำหรับเช็ดเท้าย่อมไม่ควร เพราะมีพระบารีว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจไม่พึงใช้ปุ่มไม้สำหรับเช็ดเท้ารูปใดใช้รูปนั้นต้องอาบัตทุกกดดังนี้วัตถุที่มีลักษณะคล้ายฝักบัวซึ่งเขาทำให้น้าตั้งขึ้นเพื่อเช็ดเท้าชื่อว่าปุ่มเช็ดเท้าปุ่มเช็ดเท้านั้นจะเป็นของกลมหรือว่าต่างโดยสันฐานมีสี่เหลี่ยมเป็นต้นประตามทีเป็นของที่ทรงห้ามทั้งนั้น ก็เป็นของอุดหนุนแต่ความเป็นผู้มักมากนั้นก็าจะเป็นกลมเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเป็นปุ่มขึ้นม า, าไว้เช็ดเท้าอย่างนั้นก็ไม่เหมาะไม่สมที่ตุจึงไม่ควรรับแล้วก็ไม่ควรใช้สอยด้วยที่ตุจะขัดเท้าด้วยกรวดเป็นต้นจึงควรก็มีพระบารีว่าดูความที่ตุทั้งหลายเราอนุญาตที่ขัดเท้าสามอย่างก็คือหินกรวดอย่างหนึ่งกระเบื้องอย่างหนึ่งแล้วก็หินฟองน้ําทะเลอย่างหนึ่งดังนี้ แผ่นหินท่านเรียกว่ากรวดแม้หินฟงน้ำก็ควรปัจจุบันนี้ก็ล้างเท้ากันธรรมดาก็ใช้เท้าขัดกับเท้าะนะ mm. แล้วก็มีที่ล้างเท้าที่เขาเป็นเอาปูนลาดขึ้นมาก็ขีดเป็นตารางสี่เหลี่ยมก็สักษากเอาไว้เช็ดได้บางที่ก็เอาอะไรเอาฝาเบียร์มาหงายเอาไว้เช็ดเท้าก็มีเหมือนกัน พิสุไม่ควรใช้พัดปัดยุงที่ทําด้วยขนจามารีเป็นต้นเพราะมีพระบาลีว่าดูความพิสูตทั้งหลายพิสูตไม่พึงใช้แสจามารีรูปใดใช้รูปนั้นต้องอบับทุกกฎที่ทำจากขนหางสัว์จามารีมาทําเป็นแส น, นี้ไม่ควรใช้พัดปัดยุงเป็นต้นย่อมควรเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิสูตทั้งหลายเราอนุญาตพัดปัดยุง ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตพัดปัดยุงสามชนิดคือพัดปัดยุงทําด้วยปอพัดปัดยุงทําด้วยแฝดพัดปัดยุงทําด้วยปีกขนหางนกยุงเดีย๋ยวนี้ก็ใช้พลาสติกกันทั้งนั้นเลยฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรส่งเคราะห์ได้ใช้มหาประเทศส่งเคราะห์เอาเราอนุญาตพัดโบกและพัดใบาตาลดังนี้บรรดาบนเหล่านั้นพัดปัดยุงเรียกว่าวิธูปนังก็คือพัดโบก ส่วนพัดใบตาลจะเป็นถอนี่สารด้วยใบตาลก็ดีสารด้วยเส้นตอกไม้ไผ่และเส้นตอกงาก็ดีทําด้วยขนหานกจูงก็ดีหรือทําด้วยจำ ม, มะวิกัดจำ ม, มะวิกัดก็สำเร็จด้วยหนังนั่นแหละทั้งหลายก็ตามทีควรทุกอย่างพัดปัดยุงนั้นแม้มีด้ามทําด้วยงาหรือเขาก็ควรแม้พัดปัดยุงที่ทําด้วยย่านแห่งไม้เกศและไม้มะพูดเป็นต้น สงเคราะห์เข้ากับพัดปัจจุงที่ทําด้วยปอก็ห้ามเฉพาะแท่จมรียอย่างอื่นอนุเคราะห์สงเคราะห์ได้บทแม้กระทั่งทำได้นานก็ใช้ได้ต่อไปที่ตุผู้ไม่เป็นไข้ไม่พึงใช้ร่มก็มีพระบาลีว่าดูการทิศตุทั้งหลายที่ตุไม่พึงใช้ร่มรูปใดใช้รูปนั้นต้องอบัตทุกกดดูการทิศตุทั้งหลายเราอนุญาตร่มแก่ทิศตุผู้อาพาธดังนี้ พิษตุได้มีความร้อนในกายมีดีกำเริบหรือมีตาฟางหรืออาภาษบางชนิดอย่างอื่นที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้ใช้ร่มพิกตุนั้นควรกลางร่มทั้งในบ้านทั้งในป่าปกติในป่า น, นี้ใช้ได้อยู่แล้วนะในระแวก บ, บ้านไม่ควรใช้แต่ถ้าป่วยมันก็ใช้ได้ทั้งในบ้านทั้งในป่านนะอันหนึ่งเมื่อฝนตกจะกลางร่มเพื่อรักษาจีวร และในที่มีภัยสัตร้ายและโจรจะกางร่มเพื่อป้องกันตัวบ้างก็ควรเหมือนกันแม่ไม่ป่วยแต่ว่าฝนตกใช้ร่มกลางไม่ให้จีวลเปลียกรักษาจีวรไว้ก็ได้หรือมีอันตรายถือร่มไปจะมีสัตร้ายมีสุนักดูอะไรต่างก็กลางร่มแล้วก็เผื่อเอาไว้มันจะเข้ามาจะได้กันได้ก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนร่มที่ทำด้วยใบไม้ใบเดียวควรในที่ทั้งปวงทีเดียว แต่แม้พิจุผู้ไม่อพาธจะการร่มในวัดและอุปจาระวัดก็ควรการในวัดในอุปจาระวัดได้แต่ในบ้านนี้ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเพราะมีพระบารีว่าดูป่าพิจุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิจุแม้ไม่อพาธกั้นร่มในวัดหรืออุปจาระวัดได้ดัง น, นี้ความจริงแล้วถ้าแดดร้อนจัดจัดถึงไม่อพาธว่าอาจจะอพาธได้เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นผู้มีกําลังอ่อนโดนแดดร้อน จ, จัดจัดมากๆเนี่ยจะป่วยเพราะว่าบางครั้งนี้ เขาเรียกว่าเป็นหวัดแดดโดนแดดแล้วก็เป็นหวัดเป็นไข้อไข้หวัดแดดต่างร่มเอาไว้เพื่อป้องกันก็ได้เหมือนกันต่อไป พ, พิษตุพึงตัดเล็บที่ยาวเพราะมีพระบารีว่าดูกรพริษตุทั้งหลายพิษตุไม่พึงไว้เล็บยาวรูปใดไว้รูปนั้นต้องอาบัดทุกกดดูกรพริษตุทั้งหลายาเราอนุญาตให้ตัดเล็บพอเสมอเนื้อไม่ต้องตัดให้เกินเข้าไปมันจะเลือดไหลก็ให้ตัดให้เสมอเนื้อ เที่ตู่ไม่ควรให้แต่งเล็บทั้งยี่สิบเล็บเท้าสิบเล็บมือสิบเป็นยี่สิบเล็บนี่ก็ควรจะพิจารณาควรจะตัดแล้วก็พิจารณาว่ามันเหมือนกับเกร็ดปลาเกิดจากอะไรเกิดจากน้ําเลือดน้ําเหลืองเกิดจากสเสล ด, ดีต่างๆน้ําต่างๆก็เข้าไปหล่อเลี้ยงทําให้เล็บงอกออกมาก็เด็สิ่งปฏิกูลเพราะฉะนั้นตัดเพื่อจะให้ไม่เกิดความรําคาญแล้วก็เล็บยาวเกินไปนี่ก็มีโทษ สตรีคนหนึ่งก็มายั่วยวนพิสุพิสุก็ไม่สนใจก็เลยทําเป็นมารยาหญกเอาเล็บขวนตัวเองเล็บขวนตัวเองแล้วก็ร้องอวยวายบอกพิสุนี่ปล้ำก็แสดงให้คนอื่นเขาดูว่านี่เห็นไหมมาปล้ำก็เลยเนื้อตัวนี่เป็นรอยหมดเลยพิสุทั้งหลายก็ตรวจดูเห็นพิสุนี่ไว้เล็บยาวแต่ว่าเนื้อไม่ได้ติดเล็บของพิสุเลยก็เห็นว่าเนื้อติดอยู่ที่เล็บของสตรีนั่นแหละ ก็เลยรู้ว่าสตรีนี้มีมารยาก็เลยไปทูลบอกพระพุทธเจ้าทูลบอกพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็มัญญัติว่าไม่ให้ไว้เล็บยาววันที่ไว้เล็บยาวนี้ต้องอบัตตุกฏก็ควรจะต้องตัดแต่ว่าเขาควรจะพิจารณาเห็นเป็นของปฏิกูลถ้าเห็นเป็นของปฏิกูลแล้วก็ไม่อยากจะไว้่นะไว้ทําไมก็น่าตาคานด้วยที่สูดไม่ควรให้แต่งเล็บทั้งยี่ติดให้เกลี้ยงเกลาวนะ เล็บทั้งยี่สิบเล็บเนี่ยให้เกลี้ยงด้วยการขูดแต่จะแพะที่เล็บออกจากเล็บ ก, ก็ควรแล้วที่ตัดใหม่ๆนี่มันจะคมเพราะฉะนั้นจะใช้ตะไบเนี่ยตะไบให้มันไม่คมก็ได้แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงจะตะไบใ ห, ให้ขัดให้มันสวยให้มันงามอย่างนั้นก็ไม่ได้มีอาบัดาะมีพระบริว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจไม่เพลิงใช้ให้ขัดเล็บทั้งยี่สิบนิ้วรูปแบบให้ขัดรูปนั้นต้องอาบัดทุกกด ดูการพิสูจนทั้งหลายเรานิยาาให้แค้ที่เล็บได้แล้วก็ตะใบที่คมให้มันหายคมได้แต่ว่าถ้ามันคมแล้วไปล้างหน้าล้างตานะมันไปขูดโดนหน้าอาจจะเป็นรอยก็เลื่อนไหลซิฟๆิได้เหมือนกันความคมของเล็บที่ตัด ใ, ใหม่ๆเทกตุไม่ควรให้เขาถอนขนในที่รับเว้นไว้แต่อ่าผ้าที่รับก็คืออะไรที่ลับก็หมายถึงที่ส่วนขาอ่อนตรงนั้นแหละ แล้วก็ที่นักแร้ด้วยนะในของสุขาบทของพิธณีนี่ถอนคนในที่แคบนี้อบับดัตจิตีเลยนะและของพิจูนี่อบับดทุกกดท่านัน้นเว้นไว้แต่อาภารมีเป็นฝีและเป็นแผลเป็นต้นเพราะมีพระบาลีว่าดูกรพิจูทั้งหลายพิกจุไม่พึงถอนขนในที่แคบรูปใดให้ถอนรูปนั้นต้องอบับดทุกกด ดูการทิกตุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถอนขนในที่แค่ได้เพราะเหตุคืออาพาธดังนี้ก่อที่แค่นี้หมายถึงบริเวณรอบทวารหนักทวารเบารวมทั้งที่รักแร้ด้วยทิกตุควรให้เขาถอนขนในจมูกด้วยแหนบเพราะมีพระบาลีว่าดูการพิจิตตุทั้งหลายพิกิตุไม่พึงไว้ขนจมูกยาวรูปใดไว้รูปนั้นก็ต้องอับัับทุกกรดดังนี้ ไม่เป็นอาบัติเพราะถอนขนจมูกด้วยวัตถุมีหินกรวดเป็นต้นส่วนแหนะพระผู้มีเทพาเจ้า อ, อนุญาตเลยว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตแหนะเพราะว่าใช้ก้อนหินก้อนกรวดอะไรต่งตางๆก็เจ็บมากถอนขนจมูกนี่อันจะใช้แหนะก็จับได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บมากกระชากออกมาแดงๆก็ไม่ค่อยเจ็บแต่ถ้าค่อยๆดึงค่อยๆดึงก็เจ็บนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้า อ, อนุญาตแหนะ เพื่อประโยชน์ในการตามรักษาคือไม่ให้เจ็บจมูกมากนะักที่สูไม่ควรให้ถอนผมงอกเพราะมีพระบาลีว่าดูความทิกสุทั้งหลายที่สูไม่พึงให้ถอนผมงอรูปใดให้ถอนรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎ ด, ดังนี้เอาไวด้ดูเพื่อปรองอนิจจ์นะดีแล้วถ้าจะดูว่าผมงอกของเรามีมากหรือยังดูกระจกเนี่ยเพื่อจะปรองอนิจจ์นะว่าตัวนี้มันแก่มากเลยนะดูกระจกได้ แตาว่าไม่ควรจะต้องให้เขาถอนแต่ขนใดขึ้นที่คิ้วที่หน้าผากหรือที่หนวดเคราเป็นของหน้าเกลียดขนเช่นนั้นจะงอกหรือไม่งอกก็ตามสมควรที่จะให้ถอนได้ถ้าเป็นขนคิ้วขึ้นที่หน้าผากหรือว่าหนวดเคราที่มันน่าเกลียดยาวมาเป็นส่วนเกินให้ถอนออกได้แล้วก็ถอนผมงอกหรือไม่งอกก็ได้เพราะว่าการพิจารณากายกตาสติ ถ้าก็แนะนําว่าถ้าจะพิจรารณาผมก็ไอ้ถอนผมเามื่วานสักเส้นสองเส้นเพื่อมาพิจรารณามาวางไว้บนฝ่ามือหรือว่าใส่ไว้ในน้ําเนี่ยนะแล้วก็มาเพ่งพิจรารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลอันนี้ก็ไม่มีอับบัตแต่ปกติแล้วถ้าไม่ได้เจริญกรรมฐานก็มีผมงอเขาได้ถอนผมงอนี่ก็มีอบัติได้เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องของสิกธาบทเล็กๆน้อยๆซึ่งก็เป็นส่วนของการที่จะ ได้เจริญสติสัมญฉยในขั้นของศีลเพื่อเกื้อกูลแก่สมถะแล้วก็มีปรสนานอีกอันหนึ่งก็คือพิกสุไม่ค่าประคตเอวไม่พึ่งเข้าบ้านเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนทิกสุทั้งหลายพิกษุไม่ค่าประคตเอวไม่พึ่งเข้าบ้านรูปใดเข้าไปรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎ ด, ดังนี้ประคตเอวอันที่ตุผู้ไม่ค่าออกไปอยู่ ตนระลึกได้ในที่ใดพึงคาดในที่นั้นก็แสดงว่าประคตเอวนั้นต้องติดตัวอยู่ด้วยเพราะว่าประตเอวนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องค่าตลอดเวลาแต่ว่าของเมืองท่านเมื่อไม่ค่าประตเอวก็จะมีผ้าผูกเอวมีผ้าผูกเอวไว้ผูกอันนึงแต่ว่าของเมืองท่านที่สันทัดหรือว่ามีความชํานาญก็ใช้สปบงนี่แหนละนุ่งแบบมัดเป็นเกลียวเอามาไขว้กันแล้วก็มัดแล้วก็พักสปองนั้นจีบไปจีบมาแล้วก็ เนตเข้าไปทีหนึ่งก็จะเป็นการรั้งให้แน่นก็ดึงไม่หลุดหลอกทำไยก็ไม่หลุดนองจากกระชากแรงๆก็ไม่ต้องคาดตะกุดเอวแต่ว่าถ้าจะเข้าบ้านนี้ต้องเอาเข้าไปด้วยเดังนั้นถ้าเราลึกได้เมื่อไหร่ก็ต้องคาดเมื่อนั้นต้องคาดตะกดเอวเข้าบ้านคิดว่าจักคาดที่อาสนาศาลาาดังนี้จึงไปก็ควรนึกได้แล้วไม่ควรเที่ยวบินทบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้คาดตะกดเอวเพราะว่าต้นเหตุก็คือ ไปผ้าหลุดกลางบ้านปะเจร์ ป, ร ะ, เประเจอก็เลยทําให้เป็นที่ติดเตียนพระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าเมื่อเข้าบ้านไปต้องคากระพดเอวนพิษตูไม่พึงนุ่งอย่างกระหัดด้วยสามารถการนุ่งดังงวงช้างเป็นต้นก็คือม้วนกลมกมเข้ามาเหมือ น, นงวงช้างเพราะมีพระบาลีว่าดูปามพิษตทั้งหลายภิกษุไม่พึงนุ่งอย่างครหัดรูปใดนุ่งรูปนั้นต้องอาบัตทุกบท ด, ดังนี้ ที่สิไม่พึงห่มอย่างกระหัดด้วยการห่มผ้าขาวดังปริภาชกเป็นต้นไม่พึงนุ่งหยักรั้งดังนักมวยหรือทกขเขมรแล้วก็เหมือนกับกรรมกรเป็นต้นการนุ่งหยักรั้งย่อมไม่ควรแก่ทิฐุทั้งผู้อาพาธทั้งผู้เดินทางทีิฐิทั้งหลายผู้กำลังเดินทางยกมุมข้างหนึ่งหรือสองข้างขึ้นเหน็ตสะบงหรือนุ่งผ้ากางสำอผืนหนึ่งไว้ข้างใน แล้วนุ่งอีกผืนหนึ่งทับข้างนอกแม้อันใดการนุ่งเห็นปานนั้นทั้งหมดไม่ควรแต่ผู้สุอาภาจะนุ่งจงกระเบนผ้าตาสาวัสดไว้ข้างในแล้วนุ่งอีกผืนหนึ่งทับข้างนอกก็ได้แต่ผู้สูงผู้ไม่อาภาเมื่อจะนุ่งสองผืนควรซ้อนกันให้ดีแล้วจึงนุ่งเพราะฉะนั้นถ้านุ่งจงกระเบนผู้อาภาก็ได้การนุ่งแบบแผ่นเพลิดก็ได้เอาผ้าปูนั่งมานุ่งแบบแผ่นเพืลิดนั้นก็ได้เพื่อป้องกันโอสุจิถ้าเกิด เป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นลิขิดูทวานมันไหลเปลือกเปลื่อนตลอเวลาจะนุ่งแบบจุงกระเบนอย่างนั้นก็ได้ปัจจุบันนี้ก็มีทั้งแผ่นเพลทมีทั้งสำลีมีทั้งอะไรก็สำหนวยความสะดวกได้มากมายก็วันนี้คงจะยุติได้แค่นี้นะสมควรใเวลาแล้วก็าขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศรัทธานในพระพุทธศาสนาอบรมอรติศีลสิกขาให้ เจริยิ่งขึ้นเพื่อเกื้ อ, อกูลแก่อธิตจิตติคาและอาิตปัญญาสิกขาขอให้ได้บรรลุอริยสัจธรรมด้วยการประชุมพร้อมแห่งไตรจิกขา็นการประชุมพร้อมของอริยามรรคโยปปจะได้พ้นจากวัตจุกรเยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ